นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอ ของประเทศไทยอีกรูปนึงก็คือหลวงพ่อเงินนะครับหลวง แต่จากการสอบถามกับปีที่ท่านอุปสมบทแล้วน่าเชื่อได้ว่าท่านเกิดในปีพุทธศักราช 2351 อันนี้คุณลุงแปลกสุขนวลซึ่งเคยมีชีวิตอยู่ทันรับใช้หลวงพ่อบอกว่าท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน 10 ปีมะโรงปี พ.ศ. 2351 แล้วก็ 10แรม 11 ค่ำปีมะแม รวมอายุได้ 111 ปีบวชอยู่ 90 พรรษาหลวงพ่อเงินวัดคงคารามหลวงพ่อเงินวัดทายนามคน 6 คนด้วย ตาช้างซึ่งเป็นลุงของหลวงพ่อเงินได้นําเอาหลวง 12 ขวบแต่ก็ไม่ 20 ปี แต่ว่าหลวงพ่อไม่ยอมบวชเพราะว่าเกรงว่าอายุ 22 ปีก็ได้ปีนั้นก่อน ท่านก็ไปชอบพอกับสาวชาวบ้านคน ปกติคนเราก็น่าจะๆบ้านในหมู่เครือญาติระหว่างที่ 3-4 ปีพอดี หลังจากนั้นก็ไม่มี 25 ปีท่านประจําสาย 1 ปีอุปนิสัยของ ไม่เหมือนกับท่านซึ่งเป็น 87 แล้วลุง 87 เหมือนกันท่าน ท่านมาอยู่ที่วัดทายน้ําเป็นๆก็ลง ต่อมาเมื่ออาคารถาวรของเช่นโบสถ์ศาลาหอระฆังซึ่งสิ่ง หลวงพ่อเทียนนี้เป็นศิษย์ร่วมอาจารย์กับหลวงพ่อเงินคือไปเรียน ผู้เฒ่าในหมู่ 30 ปีแล้วท่านไป 80 ปีลุงเลียบปูน เมื่อตอนท่านอายุ 16 ปีอ่าแสดงว่าหลวงพ่อเงินจากวัดท้ายน้ํา 2457 นั่นเองก็ไปอยู่วัดบางคลาญอีกไม่กี่ปีก็สิ้นบุญท่านยืนยันอย่างนั้นมีทัศนะเดียว ไปอยู่ปีแล้ว 30 กว่าปีจึงกลับไปอยู่วัด เมื่อหลวงพ่อย้ายกลับมาอยู่วัดนี้ในระยะสุดท้ายของชีวิตด้วยเมื่ออาจารย์โฮเจ้าอาวาสวัดคงคารามมรณภาพ ท่านยังหลงอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะสมัยก่อนๆไม่ใช่ทุ่งนาอย่างสมัยนี้ระยะทางระหว่างม้าควางกระทิงชนี ลิงเผือกกระต่ายป่านกขาวนกระทาหลวงพ่อสามารถทําให้สัตว์ป่าเหล่านี้เชื่องได้ ท่านบอกด้วยว่าช้างของ ชื่อตาพุมราซึ่งเป็นหมอใหญ่มีชื่อในเขตนั้นด้วย ตาบุมราก็ดื่มเหล้าเมาถึงขนาดหนักมาจากไหนไม่ทราบข้ามฟากไปหาหลวงพ่อแล้วก็ร้องเรียกหลวงพ่อท่านเงินท่านเงินเก่งนะเก๋อฮะชาวบ้านเขาว่าเก่งนะเก๋อหลวงพ่อเห็นพี่ชายเมาเหล้าก็ถามพี่เขาจะ เขาหรือว่าเออก็ไม่มีดีอะไรหรอกตอนนี้ตาพุมรา หลวงพ่อก็แน่มันก็ตอบพี่ชายอันนี้ 3 4 แชะไม่ดังเลยพอยิงไม่ดังไม่ลั่นก็ลดปืนลงจากบ่าปรากฏว่ามีน้ําไหลออกมานี่ทําไม่ เหตุนี้เองที่ทําให้ชาวบ้านซาบะหลวงพ่อเงินมี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 บางคนก็บอกว่าใส่กระถางน้ํานะเมื่อชาวจีนคนนั้นถามหลวงพ่อว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะทําน้ํามงสักทีอ่ะครับทําเสร็จ หลวงพ่อก็ยืนยันไปว่าทําเสร็จแล้วตาม มั่งมีดีจนอะไรทั้งสิ้นลุงแปลกสุกนวนได้ หลวงแปลกบอกว่าคงจะหลวงพ่อคงจะทําอะไรคุ้มกันให้นายกิ่งก็เป็นได้มีศิษย์วัดของหลวงพ่อคนนึงชื่อตานาคตานาคคนนี้เป็นคนชอบนอนตื่นสายเสมอหน้าที่ของตานาคก็คือเป็นคนหาบสัมภาระของ หลังจากวันว่าที่หลวงพ่อยิงกระสุนวันนั้นน่ะเจ็บมั้ยอ่าตาหน้าบอกไม่เจ็บหัวเนี่ยเรื่องมีอ่าเอาแค่ ต๊ะเจียมใช้มีดฟันลงไปที่ตะกั่วฟันยังไงก็ไม่ถูกตะกั่วเลยฟันอยู่หลายครั้งหลายคราว มีความสามารถในการยิงกระสุนแม่นยำมากไม่มีใครสู้ทันได้อ่ะวันนึงมีไก่ขึ้นครั้งไม่ถูกไก่อ่ะถึง นิยมแสดงว่าหลวงพ่อครับเดี๋ยวพักสักครู่ หลวงพ่อเนี่ยมีวิชาที่ย่นระยะทางให้เป็นระยะทางใกล้ได้ ก็ถึงเกาะสีมะลาพบตำราแล้วก็มีดหมอเล่มหนึ่งอยู่ในโองส่วนของหลวงพ่อ ไม่ทราบว่าหายไปข้างไหนทราบว่าหายไปข้างไหนเที่ยวเดินหา หลวงพ่อจะต้องนําเงินไปเติมอยู่เสมอไม่ได้ขาดสักปี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 การถ่ายรูปในสมัยนั้นก็ไม่ค่อยจะแพร่หลาย กระจกแตกแขกเห็นอย่างไรก็นึกอัศจรรย์แล้วเดียวแขกนั้นก็ไม่ เรื่องที่หลวงพ่อใบหวยนี่อ่าบันทึกตามคํา วันหนึ่งอยู่แม่ของคุณบุรรงแล้วก็พี่สาวล่องเรือข้าวจะไปขายที่ปากน้ําโพหรือ แต่ขามาเที่ยวนี้ขอให้โยมซื้อจาก แม่ครูบุร่งไม่ยอมท่านจะให้คงบอกๆน่ะอันนี้มหาชาติที่ โดยเฉพาะกันธานกันแล้วก็กันกุมารซึ่งเป็นกันที่หลวงพ่อถนัดมากแล้วก็เทศน์เป็นทํานองด้วยลูกศิษย์ของหลวง ครั้งหนึ่งสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรฤทออกตรวจๆในเขตมณฑลภาคเหนือตอน พอถึงวัดวังตะโกสมเด็จก็ถามหาหลวงพ่อเงินเพราะได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเมื่อพระองค์ผ่านมาจึงใคร่จะดูรูปโฉมนมพันของหลวงพ่อเงินว่าเป็นยังไงพอ นำดอกไม้ธูปเทียนไปถวายสมเด็จพระมหาสมณะเจ้าว่าหลวงพ่อเงินไปไหนพระมีธุระยังทําไม่เอาธูปเทียนแพดอกไม้มาเทียนและดอกไม้มอบผ้าตราย หลวงพ่อท่านยังสัพพยกพระรูปนั้นว่าเออสู้ข้ามไม่ได้เออข้ามไม่ เมื่อมาถึงหลวงพ่อเงินก็ทักทายปราศัยพอสม หมอแปลกสุกนวลยังได้เห็นสมเด็จในกรมเวียนพระ วันหนึ่งหลวงพ่อเงินได้สั่งให้ลูกศิษย์ว่าพระลูกวัดจัดการกวาดลานวัดให้ หมายถึงพระ 28 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 5 ได้เสด็จมากับ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 วันที่กรมหลวงชุมพรเสด็จกลับหลวงพ่อเงินได้จัดๆ แล้วก็หวานชานหมากที่ท่านฉันนั้นให้ไว้เท่าที่ได้ จะมีบรรดาชาวบ้านที่เป็นโรคกลากเคลื่อนหรือว่าคอยเฝ้าดูแล้วก็เพียง 2-3 ครั้งก็ว่าเคลื่อน เวลานําเอารูปจําลองของหลวงพ่อเงินพระอาจารย์ทองซึ่งก็อยู่วัดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ แต่ไม่รู้วัดไหนพระอาจารย์ทองได้ วนทางจากวัดท้ายๆไปพระอาจารย์ทอง พระอาจารย์ทองรู้สึกตกใจเพราะไม่ทราบบินแกนกลูไปสู่ต้นไม้ คุณหมอพยอมได้เล่าให้คุณหมอเย็นอิ่มฟังคุณหมอเย็นอิ่มสุก็เอามาเล่า หลวงพ่อเขียวก็ตั้งใจจะทำตะกรุดครบไตรมาส 3 เดือนเนี้ย นำไปวางให้ทดลองปรากฏว่าปืนดังแต่ไม่ออกจากปากระบอกหลวงพ่อเงินท่านข้าไม่ได้ฮะของแกไม่ดังอาจจะเป็นดืนชื้นหรือว่าแกบเปียกงามก็ได้แล้วท่านก็หัวเราะชอบใจนี่ก็เป็นการแสดงความศักดิ์สิทธิ์ พระเดชประคุณหลวงพ่อเงินได้มรณภาพด้วยโรคชราอายุของ 111 ปีท่านมรณภาพ 11 ค่ำเดือน 10 ปีมาแหมเวลา 05:00 น. ที่ เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 ปีพอครบกําหนด 1 ปี อยู่ยงคงกระพันดีนักแลพูดถึงความ ตอนๆก็แลเห็นต้นโพธิ์ต้นนี้สูงประมาณสัก 5 เมตรมีใบดกเป็นพุ่มสวยงามมากบริเวณ ท่านเป็นผู้ปราดเปรื่องไปด้วยความรู้แล้วก็เรือง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 นั่งเข้าสมาธิธรรมวิปัสสนาธุระที่ใต้ต้นโผนี้และบางครั้งจะสอนวิปัสสนาแก่บรรดาพระเนนและประชาชนที่ใต้ ตาจะแตกหูจะหนวกต้องคอยให้ถึงเวลาๆแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากมี พอดีแลไปเห็นนกระยางเกาะอยู่บนๆ3 ครั้งปืนไม่ลั่นพอ นกเหี่ยวมันก็เลยชอบมาโฉบจิกกินลูกไก่ไปซักเกือบหมดชาวบ้านแถบนั้นก็เอาปืนลูกซองมาหวังว่าจะยิงเหี่ยวพอดีนกเหี่ยวตัวนั้นบินไปเกาะที่ต้นโพหน้าวัดชาวบ้านก็เล็งไปที่นกที่ว่าน่ะพอ เหตุการณ์ต่อมามีเรือหางยาวมา ผู้โจรทั้งหลายก็ขึ้นบันไดที่ ตอนเข้าวันสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีตอนเช้าๆพระเนนทายกแล้วก็คณะ ท่านยังเคยปรารภกับเช่นเอ่อชอบฟ้าพระอุโบสถ บรรดาบุคคลใกล้ชิดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันโอ้สวยมากหลวงพ่อ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 คราวนี้โยมพึงได้แนะนํานายช่างซ้ายขวาบอกเล่าให้เรียบร้อยเสียก่อนนายช่างทองสุข จากนั้นก็จัดกระบวนแห่ทั้งประชาชนชาวบ้านท้ายน้ํา หรือว่ามาปิดทองทั่วกันโดยไม่ นอกจากนี้ยังมีน้ำมนที่ขลังมากคนนิยมมารถกันเป็นร้อยทีเดียวสําหรับพระเครื่องแล้วตอน ถ้าของท่านไม่มีดีก็คงจะไม่กล้าพูดอย่างนี้ เถราจารย์องค์อื่นเทียบได้ยากลูกศิษย์ที่ได้วิชามาก็สามารถสร้างได้ขลังแทบทุกองค์คุณสถานนาคเมืองซึ่งเป็นคนพิจิตรโดยกําเนิดประกอบอาชีพอยู่ทางภาคเหนือสิ่งที่คุณสถาน เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้เคยช่วยชีวิตเข้ามาหลายครั้งแล้ว 2 ชิ้น 1 ชิ้น 1 แว่นเท่านั้นดูจะเป็นไม้เท้าที่ ไม้ท้าวนี้ได้ขอแบ่งจากกำนันปุ้นเศษไม้ท้าว ก็เพราะฉะนั้นมีทางเป็นไปได้ในกรณีเดียวไม่ทําให้ท่านเชี่ยว หลวงพ่อเงินจตุดงไปเชื่อได้ว่าท่านต้องรู้จักกันมาก่อนจังหวัดสิงห์บุรีหรือชัยนาทด้วยหรือ สมัยก่อนนี้บ้านท่านั่งและบ้านบางคลานเป็นคนละหมู่บ้านแต่ว่าในปัจจุบันเค้าเรียกรวมกันไปแล้วก็คือท่านั่งบางคลานตำแหน่ง และในการทุดงของท่านนี่เองทําให้หลวงก็ได้แนะนํา ผู้คนไหลมาณชลิติสิทธิธัมมังจิตตัง